การสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําที่พวกเราได้จัดวันครบรอบมรณภาพของท่านเมื่อวันที่18บแปดมิถุนาที่ผ่านมาและก็วันที่19ที่ผ่านมาก็ได้เซ็นสัญญากันสร้างเจดีย์ของท่านที่วัดสำนักชีบ้านห้วยสายอำเภอคำชอีจังหวัดมุกดาหารที่เป็นสำนักชีของท่านที่ท่านพำนักอยู่ แต่ตามไม่จริงท่านก็เป็นแม่ชีแต่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลงพ่อเคยเล่าให้พวกเราฟังกระดูกของท่านก็เป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นว่ากระดูกเป็นพระธาตุไม่ใช่ธรรมดาตามหลักแนวแถวของผู้ปฏิบัติแล้วสำหรับครูบาอาจารย์กรรมาฐานแล้วท่านก็ว่าไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากพระหันอันนี้เป็นหลักอรูปธรรมที่ยืนยัน ถึงนา ม, มธรรมนา ม, มธรรมของท่านท่านได้ปฏิบัติชำระจิตใจของท่านถึงมรรคถึงผลจากนั้นท่านกัพิจารณากายของท่านฟอกกายของท่านจนกระดูกของท่านกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาเนมว่ากลายเป็นาธาตุอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันสาหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นมรรคขั้นผลก็ถือดูนับเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณกาล ก็เป็นเครื่องยืนยันถ้าว่าจะแปลกเพามันก็แปลกของเหล่านี้จะเอาหลักวิทยาศาสตร์เขามายืนยันหรือจะเอามาคิดเอามาวัดเอามาวิเคราะห์มันวัดวิเคราะห์ไม่ได้เพราะมันเก็นของอจจัศจฉรยเป็นของแปลกเพราะของในโลกนี้สิ่งไหนที่เราไม่รู้เรายังไม่เห็นเรายังไม่ถึงมันมีอีกมากเพราะนั้นเราอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้ทั้งหมด แต่เพียงอย่างนี้คนโ บ, บราณเขาก็ถือกันมาอย่างพระาธาตุของพระพุทธเจา้าพระาธาตุพระหันอย่างเนี้ยแต่ยุคสมัยนี้ดูแล้วก็ผู้ที่ไม่เคยพบเคยเจอเคยเห็นก็คงลักษณะที่ว่าไม่เชื่อนั่นหละตั้งความไม่เชื่อไว้ก่อนแต่ว่าผู้เคยพบเคยเจอเคยเห็นมาแล้วจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เมื่อได้เห็นกับตาใ น, นสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับก็คงจะจับไม่ได้ แต่ว่าผู้ที่พบที่เห็นก็เป็นที่ยอมรับและเป็นที่อัศจรรย์ในจิตใจแต่ในความเป็นมาว่าทำไมฟันคนธรรมดาทำไมยังไม่เป็นพระธาตุอย่างเนี้คำถามเหล่านี้มันกระจุกค้างคาอยู่ในหัวใจของผู้ไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติแล้วคำถามอย่างนี้จะไม่ค้างคาอยู่ในหัวใจรู้ได้ด้วยใจของท่านเพราะว่าท่านเชื่อในธรรม เชื่อในภาคปฏิบัติสิ่งทั้งหลายลี้ลับสิ่งที่อาจรรย์มีมากมายสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าว่าผู้ไม่ปฏิบัติก็เป็นจิตใจธรรมดายังไม่ถึงจุดนั้นเพราะนั้นสำหรับธรรมะปฏิบัติหนทางที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่ยผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอที่จะรู้ได้ ผู้ได้ศึกษาสูงขนาดไหนเรียนจบพระไตรปิฎกหรือขาดคาเนเดาไม่สามารถที่จะรู้ได้เพียงแต่ึกเดาเดาไปเดามาก็สงสัยพอสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อในที่สุดแต่ถ้าว่าสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วจะเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเหมือนกับเราดูแผนที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสู้รม เมื่อตัดสรุแล้วท่านก็เอาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาแสดงมาพูดให้พวกเราได้ยินได้ฟังถ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่พูดพวกเราก็ไม่รู้ในเมื่อพระพุทธเจ้าพูดแต่พวกเราไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ยังประโยชน์ให้สำเร็จเหมือนกันเหมือนกับท่านเขียนแผนที่จากอาเภอพิมายลงไปโค ร, ราชจากโค ร, ราชไปถึงตากช่องจากปากช่องไปถึงสระบุรี จากสระบุรีลงไปผ่านจังหวัดอายุธยาเข้ากรุงเทพแต่ถ้าว่าเราดูแผนที่แล้วเราไม่ได้เดินเราอ่านแผนที่อยู่ที่พี่มมยวัดของเราอย่างนี้เราก็จบเราก็สงสัยว่าแผนที่นี้จริงหรือเปล่าเป็นเครื่องโกหกหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เดินตามแผนที่เราก็ยืนอยู่ที่นี่ผลที่สุดก็เลยไม่เชื่อในแผนที่ทั้งไม่เชื่อแล้วก็ตัวเองไม่ได้เดินตามแผนที่ด้วย ่ผลที่สุดก็เลยไม่เชื่อแล้ว่าความเชื่อและไม่เชื่อนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับคนคนนั้นอีกต่างหากเพราะว่าเขาไม่ได้เดินตามแผนที่และเขาไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดประโยชน์เชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่มันมีอยู่มันก็มีอยู่อย่างนั้นเจ้าจะเชื่อหรือเจ้าไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเจ้าแต่ถ้าว่าเจ้าเดินตามแผนที่เจ้าจะหมดความสงสัยในแผนที่นี้แต่นี้ถ้าว่าเราเดินตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าสอน ออกจากพิมายลงไปก็ไปเจอโคราชเออใช่แผนที่บอกชัดเจนว่าเมืองโคราชเป็นเมืองใหญ่ถนนผ่านไปสายนุ้นสายนี้ถูกต้องตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าเขียนเอาไว้แต่ก่อนพวกเรายังไม่เคยพบไม่เคยเจอแต่ปันนี้เราเดินออกมาแล้วมาเจอโคราชแล้วจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดทุกอย่างอันนี้ความเชื่อเกิดขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วออพระพุทธเจ้าทาไมจึงรู้ได้ ทำไมท่านจึงพบจึงเจออย่างนี้อันนี้ความเชื่อขึ้นมาในระดับหนึ่งจากนั้นเขาก็เดินออกไปอีกไปถึงปากช่องตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เขียนเอาไว้แนะแนวทางเอาไว้บอกกล่าวสอนพวกเราเอาไว้พวกเราก็เดินไปก็ไปเจอเมืองปากช่องตามลายทางต่างๆเป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องตามลายแทงหรือว่าตามแผนที่ทุกอย่างจากนั้นลงไปถึงสระบุรี จะนกนะ้นก็เดินลงไปเรื่อยๆจนถึงกรุงเทพมหานครเป็นจุดจุดท้ายเป็นที่ยอมรับทางด้านจิตใจของพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติผู้เดินตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นแผนที่เหล่านั้นสำหรับครวะท่านสอนอย่างไรท่านวัดสุเจ้าทั้งหลายเป็นครวะยังมีภาระที่จะต้องรับอันดับแรก ให้เป็นผู้เสียสะละฐานะคือการให้ทานคนที่มีการให้ทานเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางจิตใจเปิดกว้างจิตใจไม่อับเฉาจิตใจไม่ไมรังแกไม่เบียดเบียนไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นถ้าคนมีทานมีฐานะคือการเสียสะละเป็นผู้จิตใจกว้างขวา ง, วางถ้าว่าผู้ใดไม่มีการเสียสะละไม่มีฐานะคือการให้ คนนั้นจะเป็นคนขี่ตณีทีเหนียวแล้วก็ไม่ยอมเสียสละให้แก่ใครไม่ยอมให้อภัยแก่ใครใครทำผิดนิดๆหน่อยๆทั้งที่จะให้อภัยพวกมนุษย์อยู่ด้วยกันจะให้ถูกต้องตามใจของเราคิดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่ตัวเองก็จะให้ผูกใจมนุษย์ทุกคนก็เป็นไปไม่ได้แต่ถึงยังไงพวกเราก็อยู่ด้วยกันเมื่ออยู่ด้วยกันก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือฐานะคือการเสียสละ คือการให้ถ้าว่าคนให้ทานเนี่ยคนเสียสละเนี่ยถึงจะไม่ให้มากแต่ว่ามีการเสียสละคนนั้นก็จะมีจิตใจเยืเอกเย็นคนที่มาเกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ใกล้ก็อบอุ่นพร้อมที่จะให้อภัยในสิ่งที่มันผิดพลาดโดยที่ไม่เจตนาแต่ในเมื่อเขามีเจตนาทำแต่ไม่ผิดมากเราก็พร้อมที่จะให้อภัยและก็ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนเขา แต่ถ้าว่าเขาทำโดยเจตนาแล้วก็มีการทำซ้ำซากโดยที่ว่าเป็นภารชนอันนั้นเราต้องพยายามหลีกห่างไม่คบค้าสมาคมชักสะพานเมืงนั้นเถอะไม่ติดต่อไม่เกี่ยวข้อง <Hey. S 1> อันนี้ก็คือผู้เป็นบัณฑิตต้องคิดดูว่าที่พวกเราไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นคนอย่างไรถ้าเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องห้ามจิตใจของเราไม่ให้เกี่ยวข้อง แต่ถ้าว่าเป็นคนดีเจตนาดีแต่ว่ามีการผิดพลาดบางครั้งมนุษย์ของเราก็ต้องมีการผิดพลาดก็พร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อให้อภัยเขาให้อภัยเราเราก็ให้อภัยเขาเ อ, อ, อย่างนี้การอยู่ด้วยกันก็จะมีความเยกเย็นใจอันนี้ก็คือมนุษยชาติที่เกิดมาแล้วในพื้นที่พในพื้นโลกนี้การอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละ ต้องมีฐานะเป็นเบื้องต้นเพราะนั้นพระทัเจ้าสอนสําหรับฆราวาสญาโยมท่านจึะว่าทานศีลภาวนาเมื่อให้ทานจิตใจกว้างขวางแล้วก็ให้รักษาศีลคือการคุ้มครองทางกายทางวาจาอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลสําหรับฆราวาสคืออะไร ท่านก็นเน้นเรื่องศีลห้าปานาติบาตปานาติปาตาข้อที่หนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สองอธินาธานาอย่าไปขโมยของคนอื่นเขากาเมสุมิชฉาจาราอย่าไปประพฤติผิดล่วงเกินลูกเมียสามีพัญญาของเขาที่เขารักสมนห่วงแหนมุสาวาธาเวรมณีอย่าไปโกหกเขา สุราเมรยะาชบประมาอย่าไปดื่มสุราและเมลยัยทำให้ตัวเองเมาเมื่อเมาแล้วก็ตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้สินห้าในสาหรับสินฆราวาสไม่ใช่สินของพระฆราวาสคือใครคืออุบาสกคือโยมผู้ชายอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงอันนี้คือพระพุทธเจ้าบัญญัติให้โยมผู้ชายให้โยมผู้หญิงสินห้าเนี่ยไม่ใช่บัญญัติผู้อื่นผู้ใด เพราะนั้นชัหรับญาติโยมของเราเรามีศีลห้าตามที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวหรือไม่แต่หากว่าพวกเรายังไม่มีศีลห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าทำบัญญัติไว้แสดงว่าเรายัางไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้ายังห่างอยู่ยังนอกเหนือจากพระธรรมคาสั่งสอนของพระพทเจ้าอยู่แต่ถ้าเราได้เป็นบางครั้งกะแปลว่าเราได้ใกล้พระพุทธเจ้าเป็นบางครั้งเราได้อาบน้ํา อมตะธรรมหรือว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ลดเราอาบน้ำเราชุ่มเย็นเป็นบางครั้งจากนั้นก็ออกไปแต่ถ้าว่าเราไม่มีศีลห้าเฉลยอันนี้เราจะเป็นพุทธมาม ก, กะหรือพุทธบริษัทนี่เราได้แต่ชื่อนับถือเฉยๆยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราให้ดูนะศีลห้าของพระพุทธจเจ้านี่มีคุณค่ามีประโยชน์ สำหรับผู้รักษาสินห้าดีแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปในสถานที่ใดคนทั้งหลายไวเนื้อเชื่อใจตัวเองก็มีความยันอกย็นใจพอเรามีสินสินคุ้มครองอันนี้คือสำหรับคราวาสถ้าหากว่ามีความอุตสาหะวิริยะมากกว่านั้นท่านก็ให้รักษาสินอุโบสถศิลอุโบสถเป็นเครื่องขัดเกลารทางด้าน จ, จิตใจ ไม่ให้จิตใจของเรามัวเมาลุ่มหลงกับกิเลส ท, ที่มากระทบทางจิตใจคือตัดกิเลส ท, ที่เข้ามาเกี่ยวข้องวิกาลโพห้ามไม่ให้ทานอาหารคือตัดรสตัดลิ้นบางคนชอบรสอาหารอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าควรจะรักษาอุโบสถศีลก็คือตัดกิเลสไม่ให้เกี่ยวข้องกับกิเลสถ้าเมื่อไม่ได้กินอาหารที่ดี ใจของเรามันกระเพื่อมมันเป็นทุกข์เนี่ยให้ดูใจตัวนี้แล้วก็ไม่ให้ร้องรําขับร้องหรือไม่ให้ดูการฟ้อนรําขับร้องแล้วก็ไม่ให้ตกแต่งร่างกายด้วยของหอมรูปไร้ของหอมตกแต่งร่างกายจนเป็นตัวลิเกละครให้อยู่ในสภาพหรือรักษาความสะอาดเรียบร้อยก็น่าจะเพียงพอ แต่นี่ถ้าเราไปตกแต่งจนเกิดเป็นกิเลสราคะขึ้นมาไม่ถูกแล้วก็ห้ามไม่ให้นอนที่นอนอันใหญ่ยัดนุ่นและสำลีใครได้ว่าสัมผัสทางกายอันนี้คือสินที่จะตัด ก, กิเลสภายในจิตใจของเราว่าสินแปะสินอุโบสถแต่ว่าอุโบสถสินนี่นะเป็นสินพระอนาคามีสินห้าเนี่ยคือสินพระโสดาบันพระพุทธเจ้ารับรองอย่างนั้นถ้าว่าผู้ใดมีศินห้า คูนั้นจะไม่ตกนรกพ้นอบายภูมิพวกเราท่านทางหลายให้สังเกตดูก็แล้วกันถ้าหากว่าพวกเรามีศีลห้าทุกคนนะหนังสือพิมพ์ที่เขาจะพาดหัวข่ า, ขาวหรือข่าวร้ายต่างๆข่าวเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยจะงดทันทีเลยหมดว่างั้นเถอะแต่ทุกวันนี้ที่ข่าวเกลื่อนไปหมดนี่ก็คือนี่แหละคนขาดศีลห้านี่แหละเพราะนั้นศีลห้าของผู้ได้เจ้า พยนาธนาดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาเป็นศีลที่คุ้มครองโลกถ้าว่าพวกเราทุกท่านลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้นี่เป็นศีลคุ้มครองโลกให้โลกร่มเย็นเป็นสุขแต่ได้เลคือศีลทานศีลภาวนาภาวนานี่เป็นการชำระจิตใจให้อยู่นิ่งให้มีความสงบ พูดเป็นคำกลางคําว่าภาวนาสมถะก็ใช่ว่าภาวนาวิปัสสนาก็ใช่ก็คือภาวนาแต่นี้ท่านสอนสําหรับฆราวาสก็คือทานศีลภาวนาภาวนานี่ก็คื อ, ยคอพยายามทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราอยู่กับตัวไม่ปรุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับคนอยู่ในบ้านไฟเข้ามาผ่านเราก็รู้เราก็เห็นพอเราอยู่ในบ้าน หมูหมากาไก่พวกไก่จะขึ้นบ้านพวกสัตว์ทั้งหลายจะมาเราก็รู้แต่ถ้าหากว่าสติของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจของเราไม่อยู่กับร่างกายนะเหมือนกับเราหนีออกจากบ้านหมูหมากาไก่จิ้งจกตุกแก่ขี้รถเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในบ้านอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าเรามีสติอยู่กับตัวเองการที่เราจะพูดอะไร การที่เราจะทำอะไรการที่คนอื่นพูดอะไรเข้ามาเราก็จะรู้ได้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรแต่ถ้าหากว่าเราสติไม่อยู่กับตัวเองจิตใจเลื่อนลอยจิตใจฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกเหมือนกับคนบ้านถึงเราจะดูด่าว่ากาวถึงเราจะแนะนาสั่งสอนอยังไงมันก็ไม่มีสติสอนอยังไงมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่จำทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะใจของมันออกไปข้างนอก ใจของคนนั้นไม่มีสติเพราะนั้นภาวนาของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกสำหรับอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีประโยชน์ทีนี้ถ้าจะพูดถึงอันนี้สงหรือบุญกุศลที่เกิดจากทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าในพบในชาติปัจจุบันคนที่มีทานมีหมูมีเพื่อน มีวงสาคนายาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปในสถานที่ใดคนยกจ่องนับถือเป็นผู้เสียสละถ้าว่ามีพบมีชาติออกจากชาตินี้ไปคนที่ทำทานไปสู่สวรรค์เพราะอนิสงทานถ้าว่าลงมาเกิดในพื้นมนุษย์อีกเกิดในสถานที่ใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยากการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ฝืดเคืองเพราะอนิสงทานเกื้อกุลหนุน เราตถาคตที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไปในสถานที่ใดมีแต่คนให้ถวายปัจจัยก็เพราะอั น, นสง์ทานะบา ร, รมีของเราตถาคตอันนี้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันอย่างนั้นแต่เรามองในปัจจุบันทําไมคนมันจางจนกลายเบางคนทําไมรวยถ้าพระพุทธเจ้าหรือพระอราหันตสาวกท่านมีญาณทัศนะท่านจะมองดูในอดีตชาติที่เขารวยเพราะอันนี้ เพราะในสงทานของเขาใน่ดีชาติเขาได้ทําบุญทําทานกับพระปิจิตรผู้เทใเจ้าพระหันสาวกเหลือเขายินดีในการทำทานเกิดมาพบนี้ชาตินี้เขาจึงเป็นผู้มีอันติกินร่ํารวยทํามาค้าขายสิ่งไหนก็เป็นไปได้ง่ายแต่คนที่ยากจนเพราะเขาไม่ได้ทําทานอันนี้พระพู้เทใเจ้าพระหันสาวกท่านพูดมาในตํำรับตํารามีเกลื่อนไปหมดถ้าเขาได้ศึกษาพระไตรปิฎก อันนี้ก็คืออ น, นิสงในการทำทานเกิดมาพบใดภูมิใดก็เป็นผู้อุดมสมบูรณ์เติรัพยัไม่เดือดไม่ร้อนอ น, นิสงทานคุ้มครองอ น, นิสงสินคุ้มครองเกิดมาพบใดชาติใดก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดมาพบหน้าชาตินะอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีใครมาขโมยไม่มีใครมาลังแกเบียดบงังทรัพย์สมบัติของตนเอง พอตัวเองรักษาศีลอันในสงศีลคุ้มครองสามีปัญญาลูกเต่าเกิดมาก็เป็นผู้ว่าง่ายซอนง่ายเพราะอใ น, นสงศิล์ข้อที่สเกิดมาพบหน้าจาานาการพูดจาพาทีกับใครเขาก็ยอมรับเชื่อถือถ้ อ, ถอยคาอันนี้ก็คืออั น, นสงศิลข้อที่สอั น, นสงศิลข้อที่หชติสมบูรณ์ปัญญาคล่องแค่วว่องไวพูดจาพาทีก็เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลาย อันนี้ก็คือเกิดมาพบหน้าชาติหน้าศีลห้าของพระเจ้าคุ้มครองสําหรับพวกภาวนาจิตใจของท่านเหล่านั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสติปัญญาของท่านรู้แจ้งเห็นจริงในอัดในธรรมสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นทั้งทานทาัน้งศีลทั้งภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกศรัทธาญาติโยมจะต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ถึงจะไม่ได้อย่างน้อประเสริฐแต่ก็ได้ระดับหนึ่งก็ยังดีให้ทานระดับหนึ่งอย่างน้อยคือให้อภัยยินดีให้อภัยแก่คนถึงเราจะไม่เสียสละทรัพย์แต่เราก็พร้อมที่จะให้แก่คนเพื่อให้ความรู้แก่เขาแนะนําเขาอย่างนี้ก็เป็นการเสียสละเป็นทานะเหมือนกันศีลรักษาศีลภาวนารักษากายวาจญาให้เรียบร้อยสําหรับพระสงฆ์ท่านเน้นหนักเรื่องศีลเลยทีนี้ศีลสมาธิปัญญา ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยมันกันศีลของพระ227อันนี้ต้องศึกษาต้องไตร่ตรองต้องศึกษาศีลของพระละเอียดกว้างขวา ง, วางแต่ผู้ศึกษาแล้วก็จะรู้ได้สมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้ในกองสังขารอันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนแก่พระสาวกสำหรับเป็นฝ่ายพระสรุปแล้วทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนา ทั้งศีลสมาธิปัญญาคนตายและทําไม่ได้คนเป็นเท่านั้นทําได้สรุปแล้วเรื่องทั้งหลายออกมาจากใจทั้งหมดเท่นี่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ารักษาอะไรคือรักษาใจสิ่งที่พูดมาทั้งหมดคือเป็นรัว้วล้อมรอบไม่ให้ใจออกไปสู่ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงให้ใจอยู่ในกรอบของศีลธรรมให้ใจของเราสำเหนียกสำนึก ว่าสิ่งนั้นออกไปแล้วมันไม่ดีพระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้เป็นคอกเป็นรัว้วไม่ให้ใจของเราออกไปในทางที่ไม่ดีอันนี้แหละศีลธรรมของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านเขียนแผนที่ให้พวกเราเดินเมื่อพวกเราเดินตามแนวแถวของแผนที่อันนี้แล้วพวกเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นชั้นชันขึ้นไปผู้ที่มีศีล อย่างครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านอยู่ในป่ารงพงไพ่อยู่ในถ้อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านบางทีตั้งสามสี่ห้ากิโลหกกิโลก็มีเดินบินธบัดแต่เช้ามืดลงมาท่านกลับขึ้นไปกไปเสาะแสวงหาความสงบไปอยู่ในป่ารงพงไพ่แต่ละวันนี่ก็ไม่รู้ว่าเลือไม่รู้ว่ายุงถ้าจะว่าไปวันหนึ่งหมดไปเลือดเป็นจดๆดเหมือนกันมางั้นะ ยงกัดยงกินจากนั้นก็เสียงถึงอสรพิษต่างๆแต่ไมก่อนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านเสียงกระทั่งช้างทั้งเสือพวกเราก็เคยได้ยินเที่ยวว่าช้างกระถืพาบพระบังอะไรบ้างท่านอยู่ในปา่าตงท่านอยู่ทําไมท่านไม่รู้จักเลยความสุขท่านทําไมจะไม่อยู่กับคนในบ้านในเมืองมีครอบมีครัวทํามาค้าขายทําไมท่านจึงอยู่อย่างนั้นนี่แหละเมื่อท่านเข้ามาศึกษา เบื้องต้นท่านก็คงไม่เชื่ออย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างลวงตามหมาบัวเนี่ยก่อนที่พ่อแม่จะจะให้บวชครั้งแรกจนพอแรงแต่บวชเข้ามาแล้วท่านได้ศึกษาศึกษาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือดูแผนที่ในเมื่อดูแผนที่แล้วท่านก็ลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วท่นี้นั่นละศรัทธาคือความเชื่อได้พบได้เจอได้เห็น ท่านจึงพร้อมที่จะเสียสละเข้าอยู่ในป่าดงพงไัยหลัจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นไปได้ที่ว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสามารถที่จะชำระกิเลส ท, ทางด้านจิตใจจนหลุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ออกไปอยู่ในป่าถึงหกปีลองผิดลองถูกสลบ หลายครั้งในการประพฤติปฏิบัติของพระ อ, องค์จากนั้นพระ อ, องค์จึงได้จัดสรู้ธรรมบรรลุธรรมบรรลุที่ไหนบรรลุธรรมบรรลุที่ใจของพระ อ, องค์เองหลุดพ้นที่ใจรู้ที่ใจจากนั้นพระุท อ, องค์ก็ได้นำธรรมที่พระ อ, องค์ได้บรรลุมาประกาศมาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังพวกเราจะไม่รู้ เพราะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนอันนี้คือคำพูดของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่พูดไม่ตรัสไม่บอกไม่กล่าวพวกเราคงจะไม่รู้ว่าแนวทางปฏิบัตินั้นจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเขียนแผนที่ให้พวกเราเดินเพราะพระพุทธองค์รู้แล้วเห็นแล้วบรรลุแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตฏสงสารเป็นอนันตกาจบแล้วในชาตินี้ ชำละจิตใจให้หมดจดแล้วหมดเชื่อแล้วใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วสิ่งที่ให้มาเกิดพวกคุณเวนในวัตฏะสงสารนั้นคืออะไรคือกิเลสกิเลสนั่นคืออะไรกิเลสราคะคือความกำหนัดยินดีกิเลสโทสะคือความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนโมโหโทโสกิเลสโมหะนั่นคือความลุ่มหลงมัวเมา ถ้าจะว่าไปกิเลสโมหะเนี่ยเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งสองตัวนั้นกิเลสโมหะเป็นพื้นอยู่ใน จ, ใจิตใจนี่แหละอวิชชาปัจจะยาสร้างขารานอาวิชชาเนี่ยคื อ, คอตัวโมหะถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงก็จะไม่มีราคะหลงซะก่อนยังเกิดราคะหลงซะก่อนยังเกิดโทสะเพราะนั้นหลงตัวเนี้เป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดสู้ธรรมก็คือตัดสู้ตรงเนี้ยรู้แจ้งตรงเนี้ย ชำรา ก, กิเลสตัวอวิชชาตัวเนี้ยตัวหลงเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยที่ตัดได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นพระอนาคามีที่ท่านได้สําเร็จพระอนาคามีถึงจะไปอยู่ชั้นพรมพรมห้าชั้นน่ะก็ท่านยังติดอยู่ตัวเนี้ยตัวอวิชชาเนี่ยยังชำระในใจไม่ขาดแต่เมื่อท่านเลยชำรจิตใจของท่านขาดแล้วนั่นแหละท่านเป็นพระอรหันตะ์จบวรางั้นเถอะจบคืออวิชชากระเด็นออกจากใจของพระ อ, องค์ ไม่มีราคะโทสะโมห oh ะในใจของท่านแล้วมดเท่นี่ท่านเป็นพระอรหันต์ในเมื่อท่านตัดรู้ธรรมได้เป็นพระอรหันต์ท่านพิจารณาอะไรพิจารณากายของท่านเองกายในเป็นหินรับปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคผลท่านถูกพิจารณากายพิจารณาแล้วพิจารณาอีกแต่เราเป็นปุถุชนนะเราก็เลยวิจารณ์ว่าอันนี้กำลังที่ทําให้กระดูกของท่านเป็นพระธาตุ พรท่านพิารณาการพี่นาการแล้วพี่นาการอีกช้ําแล้วช้าอีกทบทวนและทบทวนอีกอยู่นั้นใครเรียกว่าเป็นการฟอกฟอกกระดูกของท่านฟอกร่างกายของท่านแต่พอาะในสุดร่างกายของท่านเหมือนกับคนธรรมดานะและไม่มีอะไรแตกแตกต่างแต่ใจของท่านท่านเป็นพระหัน์แต่เมื่อท่านล่วงรับดับขันไปแล้วเทงขันไว้ขันของท่านก็ปรากฏให้เป็นสิ่งอัจฉรย์กะคือว่ากระดูกของท่านแตกแตกต่างกว่าคนทั้งหลาย คือกระดูกของท่านเป็นพระาธาตุเป็นมัดกลมๆแสดงให้เห็นเป็นเหลี่ยมบ้างเป็นแก้วบ้างเป็นทับทิมบ้างเป็นอะไรบ้างแตกกว่าคนทั้งหลายอันนี้เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์พิสูจน์ไปเถอะไม่มีไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้เพราะใจของท่านเป็นใจบริสุทธิ์ผู้มีความรู้เสมอกันเท่านั้นท่านจึงจะรู้ได้เหมือนกับปอซีเราจะไปให้คะแนนด็อกเตอร์ไปยกย่องด็อกเตอร์มันก็ยกย่องอย่างนั้นแหะ ไปกดด็อกเตอร์ไป ก, กดไปอย่างนั้นแหละแต่ความรู้ของท่านท่านรู้ละ่ะพวกกิเลสทั้คืออะไรท่านมองเห็นท่านก็รู้ละ่ะยังไม่อ้าปากก็อกกระลำก็อ้าปากนี่เห็นกระทั่งตับไตไสู้มิของกิเลสอีกต่างหากเอเพราะนั้นท่านจะพูดหรือไม่พูดท่านเองธรรมะนี่เหมือนกับผู้ใหญ่กิเลสเหมือนกับเด็กถึงจะหัวงอกหัวเขา่าอายุแก่ขนาดไหนก็เถอะมันยังอยู่ในกรอบอยู่เหมือนกับลูกไก่อยู่ในเปลือกไข่อยู่ ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกไข่ออกมาเพระอรหันต์นี่วจอท่านกระเทาะเปลือกไข่ออกมาแล้วเป็นตัวแล้วรู้ได้แล้วแต่ปุถุชนทั้งหลายแหละมันอยู่ในเปลอกไข่อยู่่ไม่รู้จะออกมาได้หรือไม่ได้ต่างหากอยู่ในนั้นถ้าว่าออกมาจะเปลาะไข่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้กันว่าเป็นอิสระยังไงแค่ไหนเพราะฉนั้นท่านผู้ที่ออกจากปลาะไข่แล้วท่านมองเห็นพวกมีกิเลส ท, ทั้งหลายอยู่ในปลาไข่อยู่ ถึงจะพูดอวดอ้างว่าตัวเองฉลาดเฉลียวขนาดไหนมันก็อยู่ในกรอบของอวิชชากิเลสราคะโทสะโมหะอยังควบคุมอยู่แต่เรื่องบุญบารมีนั้นเป็นที่ยอมรับเพราะเขาได้ทาดีแล้วบุญบารมีของเขามีแต่ว่าเรื่องกิเลสนั้นมันยังมีอยู่ในหัวใจของเขามันมีขึ้นมันมีลงมันมีกระเพื่อมมันมีวันไหวไกวแกงอยู่นั่นแหละมีทุกมีโศกมีร้อน ถึงใครจะว่ามีความสุขขนาดไหนก็เถอะนะเอ่อเหมือนกับสุกอยู่ในหม้อตม้มหม้อแกงอย่างนั้นแ่ะมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือคือความสุขที่ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอันนั้นคือความสุขของพระอรหันต์เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมพวกเรามาฟังในวันนี้น้อยแต่หลวงพ่อก็ได้พูดแสดงให้พวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยเป็นของจริงจริง ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้แต่ไปคาดเดาไปคาดคะเนนั้นอย่าไปคิดคาดก็ได้ระดับหนึ่งต้นเองหเหมือนกนัตาบอดมาแต่กําเนิดกันนะจะคาดยังไงมันก็คาดไม่ถูกหรอกคนตาดีเท่านั้น่ะจึงจะรู้ได้อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้จักว่าเราตาบอดเราก็เชื่อคนตาดีเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อครูบาอาจารย์ ที่นำพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้พวกเราจากนั้นพวกเราลงมือประพฤติปฏิบัตินั่นแหละพวกเราจะเดินตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์ น, นําพระธรรมมาสั่งสอนแล้วแสงสว่างเข้าสู่ใจของพวกเราพวกเราก็จะเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้พวกเราก็จะประสบความสุขความเย็นใจนการพูดการแสดงในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควร พอจบเพียงเท่านี้